เช้านี้อากาศเย็นกว่าที่ผ่านๆมามันคงไม่ใช่อากาศเปลี่ยนแปลงธรรมดานะแต่มันกำลังบอกว่าหน้าหนาวกำลังมาปกติอากาศแบบนี้นี่ที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จะรู้สึกได้ก็ประมาณใกล้ๆออกพรรษาแล้วนี่ยังไม่ถึงครึ่งพรรษาเลยนะก็มีสัญญาณว่าหน้าฝนกำลังจะหมดไป มันก็คงจะหนาแบบนี้อยู่สักพักแล้วเดี๋ยวก็จะอุ่นขึ้นมาอีกสักหน่อยจะกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่สักสี่หครั้งนะแล้วหลังจากนั้นก็จ ะ, ะเป็นการอากาศก็จะเย็นอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือสิ่งที่มักสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะแต่ว่าปีนี้ไม่สามารถจะบอกได้แน่ชัดนะว่ามันจะกลับไปอุ่นอีกสักเมื่อไหร่นะ หรือว่ามันจะจะค่อยๆหนาวลงไปเรื่อยๆธรรมชาติก็เป็นอย่างเงี้ยนะสองปีก่อนนี่ช่วงหน้าแล้งนะก็คือประมาณมีนาเมษาอากาศหนาวถึงสิบ8็ดิบแปดองศาเนะีนะ่ยนะบางคนคงจำได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กลับคืนสู่ความปกติแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยถ้าหากว่าฝนสอบเข้าว่า จะหายไปอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าที่ผ่านมาฝนก็ไม่ค่อยตกเลยนะน้ำก็น้อยน้อยมากๆนะอย่างที่เห็นด้วยตาเนี่ยสระน้ำก็ระดับน้ำก็ต่ำลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่คนที่ใช้น้ำก็มีมากขึ้นนะอันนี้ก็คือความจริงที่เราต้องอยอมรับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจ บนไปก็ไม่มีประโยชน์นะกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าความกังวล น, นั้นความห่วงนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างได้เชื่อต้องทําคือรักษาใจาเราให้เป็นปกติหลวงพ่อชาท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกทั้งนั้นนะถ้าหากเราทุกข์ก็แสดงว่าระวางใจผิดนะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันถูกทั้งนั้นคือมันถูกตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัย ต่างๆมากมายมันถึงเป็นอย่างนี้อากาศบ้านเรามันไม่ใช่เป็นอย่างนี้เฉพาะที่นี่นะมันเป็นกันเรียกว่าเป็นทั้งภาพเป็นทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าหลายจุดหลายจังหวัดจะมีฝนตกนะแต่ว่ามันก็มีความแปรปรวนนะที่ไม่เหมือนปีก่อนๆ อ, อันนี้ก็มีเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่อาจจะเป็น เกิดขึ้นในระดับโลกก็ได้อย่างที่เขาคาดการพยากรณ์ไว้แล้วว่าปีนี้มันจะแรงนะเหตุการณ์เอลนะิโยเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมหาสมุทรรู้สึกอย่าแปซิฟิกหรือแอตแลนติกนี่แหละนะความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำมันมีกระแสน้ำอื่นกระแสน้ําเย็นในมหาสมุทรพอมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันเพียงแค่มัน เคลื่อนไหวช้าลงเท่านั้นนะก็ส่งผลต่อภูมิอากาศทั้งทวีปได้มันเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมากระทบกันมาถึงบ้านเราเป็นลูกโซ่อันนี้คือเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ถูกแล้วนะถูกตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราทุกข์ถ้าเรากังวลนะก็แสดงว่าเราวางใจผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทําใจอย่างเดียวก่อนนะทำใจคือว่ารักษาใจให้ปกติแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลานะเพราะอย่างร่างกายเราเนี่ยหลายคนก็ป่วยนะเพราะว่าร่างกายเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราสามารถจะปรับได้เร็วกว่านั้นก็ได้นะถ้าเราฝึกมาดีใจเรา ก, ก็ปรับได้เร็วนะอาจจะทุกข์สักหน่อยอาจจะกังวลสักพัก หรือว่ า, าหงุดหิดสักหน่อยเนสะร็จแล้วก็ปรับได้ยอมรับเป็นธรรมดาคราวนี้ก็ต้องพอทำใจแล้วก็ต้องทาทากิจแล้วนะหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจยังไม่พรอเตรียมตัวด้วยเราก็ต้องนะคิดว่าจะหาน้ำมาจากไหนเพิ่มเติมแล้วก็คิดถึงเรื่องการใช้น้าให้ประหยัดมากขึ้นอันนี้คือการเตรียมตัวนะ จะทำใจอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ทำใจก็สำคัญนะโ <Yeah. S 1> ดยเพราะการทำใจแบบนี้นี่ก็ถือว่าธรรมชาติมาสอนเรานะ mm. เพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยทำใจเท่าไหร่ทำใจไม่ค่อยเป็นอยากได้อะไรมันก็ได้ตามใจที่ต้องการตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะ mm. ลูกอยากได้อะไรแม่ก็ใ ห, ให้ให้ทุกอย่างเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาจะให้ลูกก็เลยให้ให้เงินให้ทองให้ของเล่น ให้สมหวังนะเด็กๆที่ไม่ได้ฝึกการทำใจเลยโตขึ้นมานะมีเทคโนโลยีมีอะไรต่อแ้วมากมายก็ไม่ได้ฝึกทำใจเวลาโทรศัพท์มันบูธ ช, ช้าคอมพิวเตอร์มันมันบูธ ช, ช้าก็แทนที่จะทำใจรอคอยก็ไปซื้อเครื่องใหม่หรือว่าไปหาโปรแกรมอะไรสักอย่างมาทำให้มันบูธเร็วขึ้น เวลามีเสิอมีฝ้าแต่ ก, ก่อนก็ทําใจอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้นะพอมีสิอมีฝ้าก็ต้องไปหามาแล้วว่าจะมียามีแชมพูนะมีครีมที่ไหนบ้างมีหมอที่ไหนเขาจะช่วยรักษาได้นะประเด็นนี้หมอคลินิกรักษาความงามชื่อสารพัดนะก็พูดขึ้นมามากมายคนก็ไปหาไปใช้บริการทําให้สวย ทำให้สดใสบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาเหมือนเดิมชีวิตแบบนี้นี่มันไม่ได้สอนให้ทำใจนะเพราะว่าไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกที่จะแก้ปัญหาให้กับเราได้ไปมุ่งแก้เหตุปัจจัยภายนอกเพื่อให้ถูกใจอันนี้คือสิ่งที่คนปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่คือจัดการกับสิ่งภายนอกให้มันถูกใจเรา แต่ไม่ได้ปรับใจเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกหรือกับตัวเองพอทำใจไม่เป็นนะเจออะไรที่มันไม่สมหวังหรือไม่ถูกใจก็กุหมกกุ่มใจไปไม่เป็นแล้วนะไปไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกทำใจไว้เลยแต่ว่าธรรมชาตินี่มันดีอย่างนะไอ้ความแปรเปลี่ยนธรรมชาติคือเราไปทาอะไรกับมันไม่เคยได้ ถึงแม้ว่าเราจะรู้วิธีการทำฝนเทียมแต่มันก็ช่วยไม่ได้มากธรรมชาติมาสอนเรานะสอนเราให้ทำใจนะการที่มันไม่เป็นไปตามฤดูกาลไม่ตรงตามความคาดหวังของเราก็เป็นการสอนเราให้รู้จักทำใจเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังได้เสมอไปถ้าเราหวังแล้วสมหวังตลอดเวลานะี มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นความไม่สมหวังก็เกิดขึ้นแต่ทำงานเราถึงจะอยู่กับความไม่สมหวังได้จะตี อ, อกชกหัวจะกุ้ม อ, อกกุ้มใจหรือว่าไปโทษคนนั้นคนนี้หรือไปเรียกร้องให้เขาทาให้สมหวังเราให้แฟนสมให้แฟนทาปฏิบัติตัวให้สมหวังถูกใจเรานี่มันมันเป็นเรื่องที่เกินเลยไปเป็นไปได้ยาก มีแต่เรานะั้นแหละที่ต้องปรับใจของเรานะปรับความหวังให้ลดให้เล็กลงหรือว่าวางความหวังลงหรือว่าทําใจเป็นปกติบ้างขึ้นธรรมชาตินี่สอนเราได้ดีนะให้เรารู้จักทําใจนะจริงๆในเมืองในกรุงเทพก็มีอะไรที่สอนเราได้อีกอย่างให้รู้จักทําใจเช่นรถติดเนี่ยนะมันเป็นอุปกรณ์สอนทำที่ดีมากเลยสอนให้เราทําใจ เพราะว่ากุมใจไปกังวลไปเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ารถติดนี่มันมันก็แก้ได้หรือว่ามันก็ทรุมันก็ลุล่วงไปได้นะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าธรรมชาติหรือว่าภูมิอากาศนี้อย่างเช่นหน้าฝนถ้ามันไปมันก็ไปเลยนะนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจริ ง, รงๆรหรือเปล่าแต่ถ้ามันไปจริงๆก็คือไปเลยปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็ทำใจอย่างเดียวนะ แล้วก็ทําใจรับกับความหนาวที่กำลังจะมาเยือนด้วยเนะพราะที่นี่มันก็มันไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวมันก็หนาวด้วยฝึกทําใจก็ดีเหมือนกันนะอย่าคิดแต่จะหนีความหนาวฝึกให้อยู่กับความหนาวให้ได้เหมือนกับตอนนี้เราก็ต้องเริ่มฝึกที่ยวอยู่กับความแรงให้ไดนะ้และการที่เราฝึกใจทําใจนี่แหละนะัมันจะช่วยทําให้เราไ ป, ปเผชิญกับความไม่สมหวังอย่างอื่นได้ความแก่ความเจ็บความป่วย ความสูญเสียพัดพรากรวมทั้งความตายนะมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าเราทําใจได้พอทําใจได้แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นมิเป็นมิตรกับทุกอย่างเป็นมิตรแม้กระทั่งกับความตายเป็นมิตรกับความแก่ความเจ็บความป่วยก็ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยแล้วก็เตรียมรับพรนะ